เลยก็มีสัมนวนพูดเก่งทากท้างตำหนินะว่าโง่และหยิ่งอีกต่างหากนลนะไอมานะมากนี่มันไม่ใช่ฉลาดอะไรนะโงวยต่างหากแล้วมันยิ่งมากด้วยนะจะเคารพจะกราบจะไหว้ผู้ที่ควรสการะควรเคารพควรกราบควรไหว้ไม่เอาอะ่ะนะยิงมากมานะเนะี่ยพันธาตัวเหล่านี้ถ้าให้ผลนําเกิดแล้วเดือดร้อนมากอันตัวที่มีโทษมากแล้วสําคัญเห็นเห็นเลยนะที่ในปัจจุบันเนี่ย คนจะขาดเมตตาต่อกันคนชั้นสูงถ้าคิดว่าตัวเองเป็นคนชั้นสูงเนี่ยนะด้วยอำนาจมานะก็ไม่ยอมไม่อยากจะสงเคราะห์ใครคนถ้าบอกว่ามานะว่ามันก็พอๆกันทั้งนั้นแหละไอ้จิตที่มีเมตตาต่อคนอื่นก็ลดลงไปไอ้คนระดับชั้นล่างถ้ามีมานะก็เขามังมีกันแลว้วหะเรามันไม่มีอะก็จะไม่ไม่เจริญเมตตาอีกคิดให้คนอื่นมีความสุขยังคิดไม่ได้ อันนี้เป็นภัยของมานะและจะนํามาซึ่งโทสะคนเนี่ยนะเสียใจเพราะเพราะมานะไม่ใช่น้อยนะชีวิตในวันๆห น, นึ่งอนะอันนั้นก็เรียกว่าเดือดร้อนใจเพราะความพยองของตัวเองเนี่ยไม่ใช่ใ น, น้อยๆเลยนะก็มากหรือน้อยนะคุณมุนชูหมามันปาดหน้าเรามันไม่รู้จักเราเลยอ่ะอย่างนั้นไหมคือไม่อย่างนั้นนะมันรู้จักเราน้อยไปอย่างนั้นนะเป็นต้นเนี่ยนะกลุ่มนี้มานะทั้งนั้นแหล ะ, ะที่สุดนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าจันทาม เขาเรียกให้เพราะไหนเรืออาทิสูตรงี้ยคือมันหนักกว่าสูตรเยอะนะปกติมันจะมีพรามณ์อักษรพราหมณ์แพทย์สูตรใช่ไหมอันนี้มันหนักกว่าสูตรเยอะเขาเลยเรียกว่าอาทิสูตรคือมันต่ํากว่าสูตรอีกกันะเรียกว่าต่ํากว่าชนชั้นกรรมกรอีกชนชั้นกรรมกรเนยสมมติว่าเราไปสมัครงานนะเขายังรับงานไปทําในบ้านพราหม์บ้านอะไรเนี่ยยังไปเป็นคนงานเข้าได้เขารับแต่ถ้าเป็นอาทิสูตรนี่เขาไม่รับอ่ะไปจับน้ําจับ แก้วน้ําเขาไม่ได้อะไรไม่ได้อย่างอย่างที่ในหนังสือดรเอ็มเบตกานะ mm. เกิดเป็นอทิษฐานไว้เวลาไปเรียนเนี่ยโรงเรียนเนี่ย mm. ถึงมีน้ําในตุ่ม mm. ในโอง่งอะไรข้างๆเนี่ยนะแกต้องไปอยู่ใกล้ๆอ่างน้ําแล้วรอให้ครูเนี่ยมาตักรสใส่ปากให้แล้วพวกนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าไปเอาแก้วนะพวกนี้จะไม่กินให้แก้วน้ําเนี่ยเปื้อนเลมฝีปากด้วยจะเทกรอกลงไปเขาจะกลัวเปื้อนมากเพราะฉะนั้นก็จะอ้าปากแล้วเขาเทน้ําใส่ปากให้อะ่ะ เสำนวนไทยว่าเทาน้ํากรอกปากให้คือถ้าถ้าวันลนะที่มันต่ําสุดแล้วนะเกิดมาจะเป็นที่เหยียดเหยียดยามดูหมิน่นดูแคลนขนาดนั้นนี่เป็นผลของมานะพรันถ้าผู้ที่สําคัญตัวมากเท่าไหร่ก็นํามาซึ่งการเกิดในตระกูลต่ํามากขึ้นเท่านั้นเท่านั้นมีเยอะในประเทศไทยใช่ไหมครับก็อันนี้ยกเป็นตัวอย่างที่มันเป็นรูปธรรมหน่อยประเทศไทยนี่ก็เอาเือเนี่ยนะสำนวนไทยเรียกว่าถ้าไม่มีเส้นมีสายยาก นั่นแหละคือที่มาของมานะทั้งนั้นนะอย่างนี้จะทํำยังไงครับเพราะว่าพออยู่ในฐานะเ น, น้นๆก็ต้องมีมานะกับมีฐานะอย่างเช่นนายจ้างกับลูกจ้างนายจ้างมีสติปัญญาในการบ ร, ริหารบางทีบางคนไม่ฉลาดแล้วก็อยากจะทำงานตรงนั้นนายจ้างก็จะถูกม้างว่าบั่งอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นมานะจะทํำยังไง คือพอไปถึงณจุดตรงนั้นเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วคือพอไปถึงตรงนั้นจริงๆอะเนียมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วคือที่ทำได้อย่างตรงนี้ก็คือตั้งอัธยาศัยที่จะเห็นภัยของมานะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรามองปัญหาที่เราจะไปแก้ในวงกว้างเนี่ยหมดสิทธิ์เนี่ยนะในทางศาสนาเนี่ยถ้าถ้าจะกล่าวไปนะพระพุทธเจ้าเนี่ย จะไปสอนให้ให้ตั้งจิตไว้เป็นรายคนให้บรรลุเป็นรายคนจะไม่เคยนึกนะผมเคยนึกว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่เกณฑ์ทั้งโลกทั้งสรรพสัตว์มาให้หมดแล้วก็เทศทีเดียวก็หมดเรื่องหมดราไ <c oughs> วไปวปนนะี้ให้ฟังให้พร้อมกัน ใ, ให้หมดเลยถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ว่ามันไม่มีผลเนีย่ยนะเรียกว่าค่อยว่าเป็นรายคนรายคนไป ชั้นไหนก็ดีในการที่จะปฏิบัติเพื่อเห็นภัยในมานะเนี่ยถ้ามองในวงกว้างอะ่ะเป็นสิ่งที่เรียกว่าคิดปัญหาโลกแตกทั้งนั้นเลยอันได้อย่างเราๆทั้งหลายเนี่ยก็ตั้งหักทะยาสัยที่จะเห็นภัยของมานะเนี่ยนะคือเห็นภัยที่จะเห็นภัยของสมุทัยสัตว์เพราะมานะเนี่ยอยู่ในกลุ่มสมุทัยสัตว์แต่ถ้าอย่างบุคคลที่ปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันให้เห็นภัยของทิฏฐิแต่พารยะชั้นสูงเนี่ยมานะจะเข้าแทนที่ทิฏฐิ จะเห็นที่ของทิฐิเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าถ้าโสดาปฏิมากเนี่ยกำจัดมิจฉาทิฐิสกัฏาคามีมากกาจัดอะไรตัวสัมมาทิฐิในสัมมามีมักอนัสกัาคามีมากเป็นต้นตัวนั้นกําจัดมานะเนี่ยนะฐานมานะนี้ต้องตั้ ง, ง, งอัธยาศัยเพื่อที่จะเห็นภยัยแต่ถ้าถ้าคิดลักษณะ เ, เรานั่งกันอยู่ตรงนี้แล้วก็เพื่อจะไปแก้ปัญหาให้คนข้างนอกเนี่ยยิ่งไม่ใช่ฐานะใหญ่เลย นะซึ่งแม้แต่เราศึกษากันอย่างนี้ใช่ว่าจะลดมานะกันได้ง่ายๆมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้ามาหานามะซึ่งเป็นพี่ชายของพระนรุ ธ, ธาเนี่ยนะหลานชายหลานน่ะ ช, ชื่อพระเจ้าวิทูตภะพระเจ้าวิทูตภะนี้ก็ด้วยมานะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยกลับไปเยี่ยมญาติที่ที่เมืองส ก, กะเนี่ยนะคือเมืองกบิลพัฒน์เนี่ยพอไปเยี่ยมเนี่ย สายศักยะนี่เขาถือว่าเขาตระกูลสูงมาตลอดเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้ไอ้พวกอายุน้อยกว่าวิทูตภะทั้งหมดเนี่ยหนีไปอยู่ที่อื่นให้หมดไปเที่ยวที่อื่นให้หมดจะได้ไม่ต้องยกมือไหว้วิทูตภะนะพระเจ้าวิทูตภะไปก็เอ๊เขาจะต้องไปเที่ยวไหว้คนที่มีอายุมากกว่าทั้งหมดแต่ไม่มีใครมาไหว้เขาเลยคือทางศักยะเขาถือว่าเจ้าวิทูตภะเนี่ยเกิดจากนางธาตนางภาสีเนี่ยนะ แต่ว่าพ่อเป็นกษัตริย์แต่แม่เป็นทาสี น, นะะนเขาก็จะไม่ไม่ให้มาไหว้ท่านเจ้าวิทูทภะเนี่ยก็พระเจาเ้าประสิทธิ์ที่กูส่นก็ตั้งให้เป็นโอรสอ่ะอ น, นะเป็นใหญ่แหละเป็นอุปราชอันปายนี่ก็ไม่มีใครไหว้เลยทีนี้ก็เขาก็ต้อนรับแบบหาไม่ได้นะคือคือคือด้วยเพราะว่าทางทางเมืองสาวสาวทีสมัยก่อนเนี่ยยิ่งใหญ่มากโดยอาณานิคมแล้วกิน กินเนื้อที่ไปจนถึงเนื้แคว้นสักกะแคว้นอะไรนี่ถือว่าเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าประเซนที่โกศลหมดเพราะฉะนั้นก็ก็ยังยังเกรงในเดชานุภาพอะไรห ล, หลายเรื่องก็ต้อนรับให้นั่งในบรรลังในอะไรเป็นต้นเสร็จ แ, แล้วพอการต้อนรับนั้นผ่านไปบนหลังพระเจ้าเจ้าวิทูตภะกลับบอกว่าศักยะทั้งหลายเนี่ยใช้ให้พวกพาดเอานมเนี่ยมาล้าง ท, ที่ที่ตรงไหนที่เจ้าวิทูตภะนั่งทุกแห่ง อันนะั้นถือว่าล้างล้างอัปมงคลนี่ออกไปเพราะว่าคนชั้นทาสมานั่งในบัลลังก์ที่ชั้นสูงงั้นก็ให้เอาน้ํานมเนี่ยมาล้างอามาตคนหนึ่งลืมด่าไปกลับไปเนี่ยนะนางทาสินเอานมมาล้างก็ล้างไปด่าไปแม่ลูกอีนางทาสเนี่ยนะมานั่งในที่สูงทําให้เดือดร้อนเนี่ยนะล้างไปด่าไปล้างไปด่าไปอามาตก็ถามว่าเอ๊ว่าใครบอกว่านั่นแหละเจ้าของแกนั่นแหละลูกของนางทาสเหม น, น แล้วก็อมานี่ก็กลับไปเล่าให้เจ้าวิถูตาพระฟังแกโกรธมากก็บอกว่าชาติเนี่ยจะต้องเอาเลือดของพวกนั้นอะ่ะมาล้างที่นั่งตรงนั้นให้ได้แกตั้งจิตไว้อย่างนั้นเลยพอตั้งจิตไว้ไว้น่นนะตอนหลังแกก็ได้ขึ้นครองราชจริงๆพอขึ้นครองราชเนี่ยไม่กี่วันยกกองทัพมาเลยยกกองทัพพระพุทธเจ้ามาห้ามครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองห้ามได้ครั้งที่สามเนี่ย ไอกรรมที่เคยไปเบื่อปลาไว้ในอดีตชาติมันให้ผลเจ้าวิทูตภะเลยยกทับไปพระพุทธเจ้าไม่ได้มาห้ามพอยกทับไปถึงเนี่ยแกก็สั่งใครที่ออกปากว่าฉันสักยะนะตายเกลี้ยงหมดอะ่ะทีนี้ก็เหลือพระเจ้าตาไว้แต่ก็มีนะพวกที่หลบๆไปได้ก็มีเหลือพระเจ้าตาคือพระเจ้ามหานามะไว้ซึ่งขณะนั้นครองราชย์อยู่พอหลังจากฆ่ากลุ่มนั้นเสร็จก็บอกว่าให้แต่งอาหารมาฉันจะบริโภค อาหารคือจะสวยอาหารร่วมกับพระเจ้าตาพระเจ้าตาคือพระเจ้าหมหานามะเป็นทระสะกะทาคามีแล้วนะตอนนั้นนะ่ะจะกินข้าวโต๊ะเดียวกันกับกับตาเนี่ยตานี่ก็บอกให้ลูกมันนางทาดไว้จะกินกับมันไนดะ้ยังไงเนี่ยนะตาพระพระสะกะทาคามีแล้วนะแกก็เลยบอกเอางี้นะหลานเดี๋ยวตานี่จะไปอาบน้ําก่อนแกก็ลงไปในสระน้ําอ่ะนะ คือคือคนโบราณเงี้ยเขาไม่โกนผมมะผมเขาจะยาวมากเขาไม่ตัดผมอ่ะนะยาแกก็เลยเอาผมเนี่ยมามัดเป็นมวยมัดเป็นมวยแล้วก็ดำลงไปแล้วเอาเท้าเนี่ยถีบผมเอาไว้ไม่ให้มันโผล่ขึ้นอ่ะนะจะฆ่าตัวตายเพราะไม่อยากจะโวยร่วมกับหลานอ่ะนะจนพญานาคต้องต้องรับไปที่ดูแลที่ไปอยู่เมืองบาดาลอะไรแบบนันะ้นพญานาคก็มารับไปเนี่ยนะขณะเป็นทศก a าคามีแนละ้วนะมานะแค่ว่า กินอาหารร่วมกับโต๊ะเดียวกับหลานเนี่ยทำไม่ได้อ่อนนขนาดเป็นพระสะกท า, าคามีไม่จํากล่าวถึงบุคคลทั่ ว, วไปเพราะฉะนั้นจึงให้ตั้งอัธยาศัยแรงกล้าเพื่อที่จะเห็นภายในในมานะเนี่ยนะครพระองค์ถ้าเป็นสมัยมีพระชนอยู่นะจะเตือนพระราหุลเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องสําคัญมากคือคือพระราหุลเนี่ยอยู่กับภาษาลิบุตรใช่ไหมภาษาริบุตรเป็นผู้มีคุณธรรมมากอะพระราหุลเนี่ยถ้าว่าโดยทั่วไปเนี่ยเป็นลูกของพระพุทธเจ้า เป็นคนรูปงามมากนะเป็นคนชาติตกูลสูงคือดีหมดเลยเนี่ยนะไม่ทั่วไปไม่มีข้อติแม้แต่อย่างเดียวพระเจ้าจะคอยเตือนว่ายังนอบน้อมภาษารีบุตรอยู่หรือเนีย่ยนะเตือนไว้ตลอดเลยนะเพราะถ้าเกิดมีมานะกับภาษารีบุตรเสียหายมากเลยนะท่านก็แล้วก็เป็นผ้าหานะันนะท่านชาติกูลเป็นต้นเนี่ยนะหรืออิทธารมทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งมานะหมดนนะรูป รูปที่ดีเสียงที่เพราะกลิ่นที่ดีหรืออะไรก็ตามไปขอให้เป็นอิฐารมนะให้เป็นปียรูปสาตรูปเป็นที่ตั้งแห่ง m a n ะหมดนั้นวัตถุที่เป็นปียรูปสาตรูปจะนํามาซึ่งความเสียหายในภายหลังตอนที่มีมา n นะเป็นต้นมันดีใช่ไหมก็เราอะใช่ไหมกอดอกด้วยอะแต่ยิ่งแบบมา n นะเสียมสอนด้วยนะโทสะมีกําลังมากด่าคนอื่นอีกถ้าอย่างนี้ก็แม้เผ็ดสนุกมากแต่ว่าพอมา n น a ะมันให้ผลเนี่ยนะ หน้าการุณาเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นก็คือเวียนไปเพื่อเกิดในตระกูลต่งถ้ายิ่งมีมานะมากก็ผลก็คือนะถ้าเกิดในภพใดๆก็ไม่เป็นที่ยอมรับมากขนาดนั้นคนก็รังเกียจเท่านั้นคนก็ไม่นับถือเป็นต้นเนี่ยนะก็พูดอะไรแล้วก็ไม่เป็นที่เคารพไม่เป็นที่ยำเกรงเป็นที่รังเกียจของของของคนทั้งหลายเนี่ยนะ สังคมทั่วๆไปสัมนวนว่าเข้าสังคมไม่ได้หรือสังคมเขาไม่ยอมรับนั่นเองเขารังเกียจนะนะอันนี้เป็นผลของมานะท่านก็ให้ให้สมาทานที่จะเห็นภัยให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็ผู้การก็เห็นภัยในมานะมากมั้ ชี้เห็นว่าโอ้โไอ้ขันห้านี่มันแย่มากมันมีการปรับปรุงกันเยอะเกินมันมากเรื่องมน้นเรื่องนี้มันยุ่งไปหมดเลยคือพอพอพอแต่งให้ให้ได้ดิบได้ดีใช่ไหมสมมุติว่าสัตว์ทั้งหลายนะโอ้โหแต่งให้ขันห้าแต่งให้มันได้อิทธารมณ์ให้มากเสร็จแล้วมานะก็มาใหม่กิเลสคือสายมานะมาแทรกมานะเนี่ยอย่างว่านะภารกิจหนึ่งของมานะคือทำให้ไม่เจริญเมตตาเนี่ยนะ แล้วก็ศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยนะโทสะมากก็เพราะมานะด้วยถ้าไม่มีมานะสัอย่างจะไม่มีโทสะหรอกคนไม่ถือตัวเลยนะไม่ไม่ถือตัวเรียกว่าคนที่เก็บใจเก็บกายเก็บใจเนี่ยไม่โกรธแต่คนที่เดือดร้อนหงุดหงิดไม่สบายใจโดยมากเนี่ยผลส่วนหนึ่งคือมาจากมานะนั่นเองนะท่นขันเนี่ยเป็นเรียกว่าสังโยชนิยธรรมเป็นตัวที่ตั้งแห่งมาะนะเนี่ยนะไอ้อุปาทานขันเนี่ยจึง ไม่ดีด้วยประการเช่นนี้แหละมันมีขันท์ทั้งหมดเรื่องคสาธาุก็วันนี้พูดผู้การเห็นภัยในขันท่าเนี่ก็ได้บุญไปเยอะแล้วคือขันท่ามันมีภัยจริงๆเนี่ยนะมันเป็นสังโยชนิยธรรมเป็นนิวารณิยธรรมเนี่ยนะเป็นอาสวัตถานิยธรรม คือสรุปว่าขันห้านี่แหละมันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโอคะโยคะขันทะนิวรณะอนุสัยสังโยชตกิเลสเป็นที่ตั้งแห่งทุจริตเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเป็นที่ตั้งแห่งบาปและอกุศลอีกไม่ใช่น้อยเนี่ยนะทีนี้บาปอากุศลเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลยังไงต่อไปเก็บอยู่ในใจอย่างเดียวเท่านั้นหรือไม่เพราะบาปทั้งหลายเนี่ยมันทะลักมาทางกายและวาจาปาณาติบาตในโลกนี่ก็เป็น เกิดจากไหนถ้าไม่มีขันห่านะโทสะมันจะเกิดไหมถ้าไม่มีโทสะเนี่ยมันจะมาทําลายขันห่าด้วยเหมือนกันประสมประหัดประหารกันเป็นต้นเนี่ยนะฉั้นขันห่าเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกเป็นอเนกจริงๆทีนี้นะเราเราในฐานะผู้ศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เห็นภายในในในโทษทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งพระ อ, องค์ก็ออกจากสิ่งเหล่านี้แล้ว องก็มาสอนว่าทำไงเนาสาวกทั้งหลายจะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะแนะนําชี้กล่าวข้อปฏิบัติอย่างที่เรียกว่านนว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเสียงเที่ยงหรือไม่เที่ยงกลิ่นรสโพธิภะเป็นต้นอ่ะเที่ยงหรือไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงคําถามเหล่านี้เพื่อให้ละมานะจริงๆเพราะมานะเนี่ยนะถ้าคนที่เจริญอ น, อนิจจังหรืออนิจจสัญญาหรือมรณานุสติมากละมานะได้ ผู้ที่ตามเห็นโดยความเป็นทุกข์มากละตัณหาได้ผู้ที่ตามเห็นโดยความเป็นอนัตตา ม, มากละทิฐิได้เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติเนี่ยนะคือเราเวลาฟังเรื่องอ น, นิจจงทุกครั้งอนัตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรตั้งความเคารพเอาไว้อย่างแรงกล้าว่วานี่เป็นทางออกอ น, นะทางเพื่อออกจากวัตฏจุ หรืออ่า น, นะมองมาอาจจะพูดนี้ไปก็ได้เพราะตัวเองเนี่ย อ, อันนี้จังง่ายมากสบายไม่เที่ยงเป็นทุกแปหน้าตา ง, ง่ายมากเห็นเมื่อไหรก็ผ่านหมดเนี่ยนะจะยิ่งขันทวารวักหรือสลายยตนาวักไอพูดไม่เที่ยงไม่เที่ยงเลยนะวันหนึ่งอ่านได้เป็นเล่มๆหน่ะทำไมรู้แล้วอ่านนั้นก็ไม่ใช่กุศลอีกใช่ไหมอันนั้นก็มาณเอกเแต่ทีนี้ว่ามาตอนหลังมาคิดเอ๊ะเขาแต่ละสูตรนี่เขาบรรลุกันทั้งนั้นเลยนะไอเรานี่มันได้แต่มานะมาไม่ได้บรรลุอะไรสักอย่างเลย เหลือแต่มานะอยู่อย่างเดียวเขาแสดงว่าบทเหล่านี้ต้องมีดีจนได้แหละว่ากันน่ยนะหรือท่านแน่จริงนะเขาบอกถ้าเรารู้ไม่เที่ยงนะเอาคิดเรื่องไม่เที่ยงแล้วมีความสุขอยู่กับการพิจารณาสิ่งนี้ดูนีท่านแน่จริงว่ากันเถอะเพราะว่าผู้ที่เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วเข้าเข้าพระสมาบัติได้แต่ของเราเห็นไม่เที่ยงแต่ว่าโทสะเกิดต่ออย่างนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราอย่าลืมว่าการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะพระอริยะท่านเห็นอย่างนั้นเพื่อเข้าพระสมาบัติ และเพื่อจะเข้านิโรธสมาบัติและบางบางทีก็เป็นเครื่องอยู่ของท่านด้วยนะการเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนะของเราก็นึกว่ามันไม่เที่ยงอนะแต่ว่าไอ้ไม่เที่ยงยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะไม่ได้พิจารณาหรือไม่ได้เจริญสิ่งนั้นอย่างจริงจังเนี่ยนะจริงๆแล้วไอ้คาว่าไม่เที่ยงเนี่ยเป็นเป็นคำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยชีย้แจงไว้อย่างมากมายก็เพื่อให้ให้เห็นให้รู้จักถึงความ ไม่เที่ยงคนที่รู้ไม่เที่ยงจริงต้องละมานะได้ถ้ารู้ไม่เที่ยงจริงต้องน้อมจิตไปหาธรรมะที่ที่สงบระงับจากสังขารได้เพราะว่าอย่างกล่าวเมื่อกี้ว่าถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงจริงก็ต้องเข้าอานิมิตตาวิโมกได้แทงตลอดพระนิพพานที่เรียกว่าอานิมิตตานิพพานเนี่ย น, นะก็ต้องตรัสรู้ขนาดนั้นนะนะจึงจะชื่อว่ารู้จากความไม่เที่ยงจริง แต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วๆไปโดยมากก็คือรู้จักคำว่าไม่เที่ยงแต่อัตถะของคำว่าไม่เที่ยงไม่ได้เจริญไม่ได้พิจารณาเนี่ยนะก็ก็คือคุ้นเคยกับศั์ว่าไม่เที่ยงเท่านั้นเองอย่างเช่นเออสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละแต่ว่าตามเห็นสังขารเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงจริงหรือสมมติถ้าเราบอกว่าใบไม้เนี่ยนะที่มันมัน ออกมาเนี่ยใบยไม้มีใบไหนบ้างที่ไม่รู้จักร่วงก็ร่วงทั้งนั้นแหละอันนี้เรียกว่าไมบเที่ยงอะไรใช่แต่เราเนี่ยรอบรู้ไหมว่าความเป็นไปของใบไม้กว่าจะร่วงมันเป็นยังไงบ้างแล้วใบไม้ก่อนที่มันจะร่วงแล้วมีใบก่อนหน้านั้นไม้ที่มาผลิใบแล้วก็หลังจากนั้นมีใบใหม่เพื่อจะผลิใบเนี่ยนะเราพิจารณาเรื่องใบไม้ร่วงตลอดสายไม้ อันนี้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งท่านบอกว่าเออชีวิตทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายเกิดมาตายทั้งนั้นแหละเราเจริญอนิจจะสัญญาหรือมรณานุสติมากไหมว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกที่เกิดมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาตายทั้งนั้นแหละอนาคตต่อไปที่จะเกิดมานี่ก็ตายทั้งนั้นแหละสัตว์ที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยนะก็เดินไปสู่ความตายตายไปไม่ใช่น้อยใช่ไหมยอย่างเฉพาะจังหวัดที่เราอยู่นี่นะก็ bles, มีเผาศพทุกวัน ก็มีการตายอยู่ท่กกันอยู่แล้วแล้วที่ไหนบ้างที่ไม่มีการตายในโลกไม่มีเนี่ยนมันก็นำไปสู่ความตายทั้งนั้นแหละแต่ทีนี้ถ้าคนที่รู้จริงในสิ่งเหล่านี้ก็อย่างว่านะน้อมไปหาทานิพพานที่สงบระ ง, งับจากสังขารได้แล้วก็จะไม่เย่อหยิ่งไม่ถือตัวอะไรเลยดังนันการพิจารณาที่ให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของ รูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะธรรมมรมที่น่าปรารถนาอันนั้นแหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับความเพลิดเพลินจริงๆนะมานะเกิดจากความเพลิดเพลินเียถ้าไม่เพลิดเพลินจะไม่มีมานะหรอกเป็นผลของความเพลิดเพลินและมานะเกิดร่วมกับความเพลิดเพลินด้วยเนะี่ยเพราะมานะเกิดร่วมกับจิตดวงไหนคุณพระมานะเกิดกับจิตดวงไหนห นายจะมาตอบว่ายังไม่ได้เรียนเจตสิกเท่าไหร่มณะเกิดร่วมกับโลภะมูลจิตทิฏฐิคตะวิปปยุทธ์นั่นแหละนันก็พิจารณาให้มากๆกแล้วนะทีนี้ในสูตรตอนท้ายเออตอไปอีกว่าดูก่อนปุณะเพราะความเพลิดเพลินดับทุกจึงดับดูก่อนปุณะด้วยประการชนี้เธอจึงไม่ห่างไกลาจากธรรมวินัยนี้ อันถ้าปฏิบัติเพื่อดับความเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโภตพภะและธรรมารมนะถ้าปฏิบัติตามนี้จะไม่ห่างไกลธรรมวินัยนี้ธรรมวินัยเป็นชื่อของอะไรนะยอน้อนอีกครั้ง <Downtown> คําว่าธรรมวินัยเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของอริยมรรคหรือเป็นชื่อไตรสิกขาถ้าเธอปฏิบัติเพื่อดับความเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโภตาภะธรรมารมเนี่ยนะเธอก็จะไม่อยู่ห่างไกลาจาก ทำรรมวินัยนี้เพราะว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกาจัดความเพลิดเพลินเนี่ยนะอย่าลืมว่าคําสอนไม่ใช่เจริญโทสะโทสะนี้ถือว่าส่วนสุดข้างหนึ่งเลยนะีโลภะก็ถือว่าส่วนสุดอีกข้างหนึ่งนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่เข้าไปสู่ส่วนสุดทั้งโลภะและโทสะแต่เดินตามมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปหรือเดินด้วยสติปัญญาเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพิสุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังไม่เบาใจในธรรมวินัยนี้เนี่คนละใช่น ะ, ะข้าพระองค์ยังไม่เบาใจในธรรมวินัยนี้เพราะข้าพระองค์ยังไม่รู้ชัดความตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดความดับอัาธาอาทีนวะนิสรณะนะ ของภาษายตะตะนาหกพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนะ <c oughs> เธอย่อมพิจารณาเห็นจากโสดว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้หรือนะภิกษุรูปนั้นก็แต่ว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะดีละภิกษุในข้อนี้จากสุดเป็นอันเธอพิจารณาเห็น ด้วยดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราอย่างที่เคยถามว่าเห็นยังไงจึงจะไม่สำคัญจักสุด้วยอำนาจตันหามานะทิฏฐิเอาเรื่องจักสุมาคิดยังไงจึงจะไม่มีตันหามานะทิฏฐิในในจักสุอันนั่นแหละคือคือการพิจารณาจักสุหรือการเจริญวิปัสนาในจักสุนะ พราะคนที่เจริญพิปั ส, สนาในจักสุตต้องไม่มีตัณหา ม, มาณนะทิฐิโดยอาศัยจักสุเลยเนี่ยนะวันภาษายตนาที่หนึ่งนี้เป็นอันเธอละขาดแล้วเพื่อไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยนะก็พิจารณาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยน ะ, ะเธอพิจารณาเห็นใจว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้หรืออย่างนั้นพระเจ้าขา้าดีละภิกษุ ก็ในข้อนั้นจ well, no. ักใจจักเป็นอันเธอพิจารณาเห็นดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราภาษายตนาที่6นี้จักเป็นอันเธอละขาดแล้วเพื่อความไม่เกิดอีกต่อไปเนี่ยนะก็คือละเพื่อไม่ให้มีใจอีกต่อไปเนี่ยนะถ้าตามเห็นใจว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราอ่ะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดไม่ให้มีใจอีกต่อไป ด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนปุณณนะดีละเธออันเรากล่าวสอนแล้วด้วยโอวาทย่อนี้จักไปอยู่ในชนบทไหนเนีย่ยนะคือฟังว่ า, านะว่าอย่าเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมรมนะถ้าเพลิดเพลินดับทุกดับแล้วก็พิจารณาเห็นอสสาทาอาทีนวานิสรณะของภาษายตนาหเห็นความ เ, าเห็น ตาหูจมูกลิ้นกายใจว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยเมื่อเข้าใจชีวิตเนี่ยนะเข้าใจคําสอนก็คือพิจารณาคําสอนลงในชีวิตได้อย่างนี้แล้วอ่ะจะไปอยู่ที่ไหนดีอ่าหมายว่ามาขอกรรมฐานขอกรรมฐานเสร็จก็จะไปหาเสนาสนะ ส, ะนาสะปายะใช่ไหมจะไปอยู่เสนาสะนาสะที่ไหนดีที่จะเป็นสปายะเหมือนกันท่านพระพุทธนะก็บอกว่า พระเจ้าข้าชนบทชื่อว่าสุนาปรันตามีอยู่ข้าพระองค์จักไปอยู่ในชนบทนั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนปุณ น, นะพวกมนุษย์ชาวสุ น, สนาปรันตะชนบทนี้ดุร้ายหยาบคายนะักถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจักดา่จาจักบริาพาเธอในข้อนั้นเธอจะมีความคิดยังไงถ้าไปแล้วเาถูกเขาด่ามานะจะคิดยังไงนะเมื่อถูกดา่า พระปุณณะก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจักดา่จาจักบริพาทข่าพระองค์ใสในข้อนั้นข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทนี้เจริญหนอเจริญดีหนอะหมายเขาดีจริงๆนะเหมือนกันแต่ดียังไงบอก่ที่เขาไม่ประหารเราด้วยมือโอ้เข้าดีจริงๆนะที่เขาแค่ด่านะคือเขาไม่ประหารด้วยมือใช่ไหม ฆ่าแต่ฆ่าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในข้อนี้ข้าพระองค์เนี่ยจะมีความคิดอย่างนี้ค่าแต่พระสุคตในข้อนี้ข่าพระองค์จะมีความคิดอย่างนี้นะนก็คือนนถ้าเขาด่าเออดีแล้วที่เขาไม่ตีด้วยมือว่าันดูก่อนปุณะก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทจักประหารเธอด้วยมือเล่าในข้อนั้นเธอจะมีความคิดอย่างไร ปุณณะก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่าพวกมนุษย์ชาวสุนันตาสุนาปรันตะชนบทจักประหารข้าพระองค์ด้วยมือไซ้ในข้อนั้นข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทนี้เจริญหนอเจริญดีหนอที่เขาไม่ประหารเราด้วยก้อนดินเนี่ยนะเขาไม่เอาก้อนดินมาปานี่ก็ดีแล้วเหมงอนกัน ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในข้อนี้ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตในข้อนี้ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างนี้พระองค์ก็ถามต่อไปว่าถ้าชาวสุนาปารันตะชนบทจักประหารเธอด้วยก้อนดินเล่าในข้อนั้นเธอจะมีความคิดอย่างไรข้าพระองค์ก็จักมีความคิดว่าพวกมนุษย์ชาวสุนันตา ชาวสุนาปรันตะชนบทนี้เจริญหนอเจริญดีหนอที่เขาไม่ประหารเราด้วยท่อนไม้ดีเขาเอาไม้กระบองเยมาหวดนะก็ดีกว่าพระองค์ก็ถามต่อไปอีกว่าถ้าหากว่าเขาจาักประหารด้วยท่อนไม้เล่าเธอจะคิดยังไงข้าพระองค์ก็จะมีความคิดว่าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทนี้เจริญหนอเจริญดีหนอที่เขาไม่ประหารเราด้วยสาสตราเขาไม่เอาดาบมาฟันนี่ก็ดีแล้วแค่นั ถ้าหากว่าเขาประหารเธอด้วยสาตราในข้อนั้นเธอจะมีความคิดอย่างไรข้าพระองค์ก็จะมีความคิดว่าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะชนบทนี้จเจริญหนอจเจริญดีหนอที่เขาไม่ปลงเราเสียจากชีวิตด้วยสาตราอันคมเอาถ้าเขาเนี่ยจับปลงเธอเสียจากชีวิตด้วยสาตราอันคมเล่าเธอจะคิดอย่างไรพระปุณณก็ตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปันตะชนบทจับปลงข้าพระองค์เสียจากชีวิตด้วยสาตราอันคมใสในข้อนั้นข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างนี้ว่าพระสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอึดอัดระอาเกลียดชังอยู่ด้วยกายและชีวิตย่อมสแสวงหาสาตราอันสำหรับปลงชีวิตเสียมีอยู่ สาตราสําหรับปรองชีวิตที่เราสแสวงหาอยู่นั้นะเราได้แล้วปกตินะสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็รังเกียจร่างกายอยู่แล้วใช่มอ่านะสมัยที่ตติยะปราชิกพระเหล่านั้นเนี่ยท่านก็ไปให้คนอื่นเขาช่วยฆ่าให้ทีนะนะท่านฆ่าเรานะถ้าท่านฆ่าเราเสร็จท่านเอาบาดเอาจีวรไปเถอะเนี่ยนะสมัยที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติสิกขาบทเนี่ยนะปีสูนี่ให้เขาฆ่าตัวเองเลยเพราะฉะนั้น ก็บอกว่าสาวกเหล่านั้นก็มีอยู่ใช่ไหมที่ท่านต้องทําอย่างนั้นอ่ะแต่ของเรานี่ยแม่ไม่ต้องเลยอ่ะมีคนมาฆ่าให้เบ็ดเสร็จหมดโอ้ดีจริงๆเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นฆ่าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในข้อนี้ฆ่าพระองค์จักมีความคิดอย่างนี้ฆ่าแต่พระสุคตในข้อนี้ฆ่าพระองค์จักมีความคิดอย่างนี้อ่านะคือหมายว่าถ้าเขาฆ่าเราเออก็ดีเหมือนกันเราก็ไม่ต้องไปเที่ยวหาคนมาฆ่าเองน่ยนะไม่ต้องกันนะ พระองค์ตรัสว่าสาธุสาธุปุณณะเธอประกอบด้วยธรรมะและอุปสมะเช่นนี้จักอยู่ในสุนาปรันตะชนบทได้บัดนี้เธอย่อมรู้กาละอันควรไปได้เนี่ยนะก็บอกว่าได้เวลานคือรู้ข้อปฏิบัติ ด, ดีขนาดนี้ก็ไปเถอะ ครั้งนั้นท่านพระปุณณะชื่นชมยินดีพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกจากอาสนะถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทาประทักษิณเก็บเสนาสนะก็คือวัดของผู้ที่จะเดินทางเนี่ยนะต้องเก็บที่เสนาสนะให้เรียบร้อยถือบาตรจีวรลีกจาริกไปทางสุนาปรันตะชนบทเมื่อเที่ยวจาริกไปโดยลําดับก็บรลุถึงสุนาปรันตะชนบทได้ยินว่าท่านพระปุณณะอยู่ใ น, ส, นสุนาปรันตะชนบทนั้น ครั้งนั้นแลในระหว่างพรรษานั้นท่านพระปุณณนะให้ชาวสุนาปรันตะชนบทแสดงตนเป็นอุบาสกห้าอคนอ่นนะก็คือสอนคนอื่นให้ถึงไตรสรณคมตัวเองก็ได้วิชาสามทําให้แจ้งและก็ปรินิพานแล้วตอนหลังท่านก็ปรินิพานครั้งนั้นแหละพิสูจ ม, มากด้วยกันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกุลบุตรชื่อว่าปุณณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนด้วยพระโอวาทอย่างย่อนั้นทำกาละแลว้วกุลบุตรนั้นมีคติเป็นอย่างไรมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรคติก็คือคติห้านะคติห้าประกอบไปด้วยนรกเปรตอสุรกระอ่นรกเปรต เ, เดรัจฉานมนุษย์เทวดาเนี่ยท่านไปอยู่ในคติไหนในบรรดาคติห้าหรือภพหน้าต่อไปเนี่ยท่านเป็นยังไงพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย กุลบุตรเชื่อว่าปุณณะเป็นบัณฑิตนะนะเือบัณฑิตคือผู้ที่รู้ขันายตนะธาหรือรู้นิพพานนั่นแหละท่านนี้กล่าวคําจริงกล่าวธรรมะสมควรแก่ธรรมะมิได้ลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมะดูก่อนพิสูจน์ทางหลายกุลบุตรชื่อว่าปุณณะปรินิพพานแล้วนะนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องไปเที่ยวค้นหาหรอกว่าท่านมีตาหูจมูกลิ้นกายใจประดิษฐานอยู่ที่ไหนเพราะท่านดับรอบแล้วดับตาหูจมูกลิ้นกายใจในปฏิสนธิการได้ ได้รอบแล้วเพราะผ้าหั่นเนี่ยเป็นผู้เคี้ยวกินปฏิสนธิการเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นทิ้งกายทิ้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้ก็ไม่ถือเอาอันใหม่เพราะท่านเคี้ยกินปฏิสนธิการเบ็ดเสร็จของเราเ น, นี่ก็ไม่รู้ปฏิสนธิไหนมันจะมาเคี้ยวกินต่อไปนะเน้นเอะไรนะอาจารย์สอนสาธุ น, น ะ, ะเเจริญโตโตให้มากๆกันแล้วกันจะได้สับมันมากนี๋นะนี่ก็เลยเวลาแล้ว น, นะ